จึงได้ทั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นเหมือนแสงสวา่างนำทางให้แก่ชีวิตของพวกเราที่ตอนนี้ยังมืดบอดอยู่ยังมองไม่เห็นทางยังมองไม่รู้จุดหมายปลายทาง ที่ต้องการจะไปว่าไปในทิศทางไหนการมาฟังเทศฟังธรรมก็จะเหมือนกับการมาศึกษาแผนที่ที่จะชี้บอกทางให้แก่พวกเราให้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนปรารถนากันสิ่งที่พวกเราปรารถนากันก็คือความสุขความเจริญ ไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการความเสื่อมเสียต่างๆแต่ชีวิตของเรากลับไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของพวกเราอยากได้ความสุขก็บางทีก็ไปเจอความทุกข์อยากได้ความเจริญบางทีก็ไปเจอความเสือ่อมนั่นก็เพราะว่าเราไม่รู้จักเหตุที่จะทําให้เกิดความสุขความเจริญ และเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมนั่นเองเพราะพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามารู้สิ่งที่ควรรู้อยู่เจ็ดประการด้วยกันคือ 1. ให้รู้เหตุ 2. ให้รู้ผล 3. ให้รู้ตน 4. ให้รู้บุคคล 5. ให้รู้สังคม หให้รู้การลกเทศะและ7ให้รู้ประมาณนี่คือสิ่งที่พวกเราควรรู้ถ้าเราอยากจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความุ่มเย็นปราศจากความทุกข์ความเสื่อมเสียปราศจากความวุ่นวายต่างๆเราต้องรู้ <c oughs> ทำทั้งเจข้อนี้ คือข้อที่หนึ่งและข้อที่สองให้รู้เหตุรู้ผลเหตุก็คือสิ่งที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นผลก็คือสิ่งที่พวกเราต้องการพวกเราต้องการผลที่ดีคือต้องการความสุขความเจริญความปราศจากความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายใจต่างๆ พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าผลที่เราต้องการนี้เกิดจากเหตุเหตุคืออะไรเหตุก็คือการกระทําของเรานี่เองการกระทําของเรานี้ก็มีสามคือทำด้วยกายทำด้วยวาจาและทำด้วยใจเมื่อทำแล้วก็จะเกิดผลตามมาผลจะดีเมื่อไม่ดีก็อยู่ที่เหตุว่าดีไม่ดี ถ้าเหตุดีคือถ้าคิดดีพูดดีทำดีผลดีก็จะตามมาถ้าเหตุไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีผลเสียก็จะตามมาเช่นวันนี้ญาติโยมมีเหตุดีคิดดีแล้วก็พูดดีแล้วก็ทำดีเช่นคิดว่าวันนี้จะมาทำบุตรที่วัดกันเสร็จแล้วก็พูดดี ชวนเพื่อนชวนญาติชวนพี่น้องชวนลูกชวนหลานให้มาทำบุญกันเมื่อถึงเวลาเราก็ออกเดินทางหาข้าวหาของนำข้าวนำของสิ่งต่างๆที่เราจะมาถวายพระเราก็ขนกันมาใสา่รถออกเดินทางนั่งรถมาพอถึงวัดเราก็เตรียมข้าวเตรียมของพอพระท่านพร้อมเราก็ ใส่บาตแล้วเราก็ถวายอาหารเสร็จแล้วเราก็ถวายสังฆทานกันนี่เรียกว่าเหตุดีคิดดีพูดดีทำดีผลดีก็ตามมาผลก็คือความสุขความสบายใจความเจริญของจิตใจความสุขความเจริญทางศาสนานี้ไม่ได้พุ่งไปที่ความสุขความเจริญ ในลาบยศสรรเสริมสุขแต่พุ่งไปที่จิตใจจิตใจของพวกเรานี้<ม>ก็เป็นสิ่งที่เจริญได้เสื่อมได้มีความถูกได้มีความทุกข์ได้<ม>ความสุขและความเจริญหรือความทุกข์ความเสื่อมของใจเกิดจากการกระทาของพวกเราทางกายทางวาจาและทาใจ<ม>ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดี ผลดีคือความสุขความเจริญทางจิตใจก็ตามมาเจริญอย่างไรถึงเรียกว่าเจริญผู้ที่คิดดีทำดีนี้จิตใจก็จะพัฒนาสูงขึ้นไปจากเป็นจากมนุษย์ก็จะไปเป็นเทพจากเทพก็จะไปเป็นพรหมจากพรหมก็จะไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอรหรัน หรือขั้นพระพุทธเจ้าถ้าได้พัฒนาจิตใจไปถึงขั้นนั้นก็จะได้รับความสุขเต็มร้อยได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่คือผลที่เกิดจากธรรมเหตุคือการคิดการพูดการกระทำการกระทำของเรานี้ตัวสาคัญที่สุดก็คือตัวคิดก่อนที่จะพูดได้ก่อนที่จะทาอะไรได้ ต้องคิดก่อนถ้าคิดแล้วก็ถึงจะพูดถึงจะทำที่จะคิดดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ว่ามีความรู้หรือไม่มีความรู้ทางธรรมของพระพุทธเจ้าถ้ามีความรู้ทางธรรมของพระพุทธเจ้า mm hmm. ก็จะรู้ว่าควรจะคิดดีอย่างไรควรจะพูดดีอย่างไรควรจะทำดีอย่างไร mm hmm. ถ้าไม่รู้ ก็อาจจะเข้าใจผิดให้คิดว่าไปหาเงินหาทองมาให้ตัวเองร่ำรวยแล้วจะมีความสุขความเจริญแต่อาจจะไปหาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นไปทำผิดศีลไปทำผิดกฎหมายถึงแม้ว่าจะได้เงินทองมาสิ่งที่ต้องการมาแต่จิตใจไม่ได้เจริญเพราะจิตใจไปทำบา เมื่อทำบาปจิตใจก็จะเสื่อมลงจากมนุษย์ก็จะเสื่อมลงไปเป็นเดลฉานเป็นเปรกเป็นอสุรกายและไปตกนรกขึ้นอยู่กับการทำบาปว่าทำบากทำน้อยทำหนักหรือทำเบาถ้าทำเบาก็ไปเป็นเดลฉานถ้าเป็นทำหนักเช่นฆ่าคนฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต ถ้าทำโทษหนะักแบบนี้ตายไปก็ต้องไปตกนรกนี่คือผลที่เกิดจากการไม่รู้ทำคำสอนของพรอพทธเจ้าไม่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำการฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะความรู้ทางธรรมนี้เป็นความรู้ที่ไม่เหมือนกับความรู้ทางโลกทางโลก ความรู้ทางโลกนี้เป็นความรู้เพื่อเลี้ยงชีพให้เรารู้จักวิธีทำ ม, มาหากินเช่นเป็นหมอ <c oughs> เป็นพยาบาล <c oughs> เป็นครู <c oughs> เป็นอะไรต่างๆ <c oughs> ต้องมีความรู้ถึงจะเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ <c oughs> เป็นบุคคลเหล่านี้ได้ <c oughs> พอมีความรู้แล้วก็สามารถเอาความรู้นี้มาทำมาหากินเลี้ยงชีพได้ <c oughs> แต่ความรู้เหล่านี้ ไม่ได้สอนให้เรารู้จักวิธีที่จะสร้างจิตใจของเราให้มีความสุขและความเจริญเป็นเพียงแต่วิชาความรู้ที่สอนให้เราเจริญในลาบยศสรรเสริญถ้าเรามีวิชาความรู้มีปริญญาเราก็จะได้งานการที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้ปริญญารายได้ดีกว่ามีเงินมากกว่าจเจริญในลาบในยศได้ ง่ายกว่าคนที่ไม่มีวิชาความรู้แต่การเจริญทางโลกนี้ไม่ได้ทำให้จิตใจสูงขึ้นหรือต่ำลงจิตใจจะสูงขึ้นหรือต่ำลงอยู่ที่การกระทํางทา ง, ทา ง, ท, างทางธรรมะทางศีลธรรมถ้าทําบาปนี้จิตใจจะเสือ่อมถ้าทําบุญนี้จิตใ จ, จเจริญ บุญก็มีหลายขั้นบุญที่เกิดจากการทำทานบุญที่เกิดจากการทำใจให้สงบทำใจให้สงบก็จะได้เป็นพรหมทำบุญทำทานไม่ทำบาป ก, ก็จะได้เป็นเทวดาชั้นเทพถ้านั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ก็จะเป็นเทวดาชั้นพรหมแล้วถ้ามีปัญญาเห็นเห็นอริยสัจสี ก็จะเป็นพระ อ, อริยเจ้าไดา้เพราะจะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ด้วยปัญญาคือการเห็นอริยสัจสีเห็นว่าความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆเกิดจากความอยากถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเสื่อมเสียก็ให้ละความอยากถ้าละความอยากได้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ละความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของกลองเป็นเหมือนฟองน้ำไม่มีสาระแกนสารอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เป็นอยู่นี้สักวันหนึ่งก็จะหายไปหมดเหมือนกับฟองน้ำไม่ช้าก็เร็วมันก็จะแตกกระจายหายไปหมดร่างกายของเราต่อไปก็จะหายไปหมด ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่มันก็จะอันตรธานหายไปหมดไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนที่ถาวรถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นอย่างนี้เราจะได้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเพราะความอยากได้อยากมีนี้จะทำให้ใจเราทุกขวุ่นวายอยู่ไม่เป็นสุขกัน พอเราเห็นว่าสิ่งที่เราได้มานั้นไม่มีสาระไม่มีแก่นสารไม่สามารถที่จะรักษาเก็บเอาไว้ให้เป็นของเราไปได้ตลอดเราก็ไม่เอาดีกว่าเอามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียเวลาเสียก็เสีย อ, อกเสียใจทุกใจไปกับการสูญเสียถ้าไม่มีก็สบายถ้าอยากได้ก็ต้องวุ่นวายต้องแสวงหาต้องดิ้นรนต่อสู้ ได้มาแล้วก็ต้องต่อสู้ดูแลรักษาดูแลรักษาอย่างไรในที่สุดก็ต้องจากกันพอาจากกันก็เสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้นี่คือบนขั้นสูงสุดคือขั้นปัญญาใครได้ปัญญาก็จะได้เป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆเริ่มต้นที่ขั้นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิด ในบายอีกต่อไปและพบชาติที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ไม่เกินเจ็ดชาติก็จะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าได้ขึ้นสู่ขั้นที่สองขั้นพระสกิดาอคามีก็จะกลับมาเพียงชาติเดียวแล้วถ้าไปเป็นพระอนาคามีขั้นที่สามก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไปเกิดเป็นพรหมอยู่สวรรค์ชั้นพรหม แล้วก็จะบรรลุเป็นพระอราหันต์ตามลําดับต่อไปพอได้เป็นพระอราหันต์ก็หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องกลับมาเกิดในไตภพในรูปภพการมภพเอารูปภพอีกต่อไปก็จะไปอยู่ที่พระนิพพานที่อยู่ของพระพุทธเจ้าและพระอราหันตสาวกทั้งหลายที่ที่ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความเกิดแก่เจ็บตาย นี่คือบุญที่พวกเราจะทำกันจะพัฒนาจิตใจของพวกเราให้ขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถ้ายังกลับมาเกิดอยู่ต่อให้กลับมาเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นมนุษย์ที่มีวาสนาเป็นมหากริย์เป็นมหาเศรษฐีมันก็ต้องตายไปอยู่ดีได้พอตายก็ต้องทุกข์กับมันอยู่ดี ทางที่ดีที่สุดก็คืออย่ากลับมาเกิดเลยวิธีที่จะไม่กลับมาเกิดก็ต้องทําทานรักษาศีลนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เห็นอริย ส, สัจสีให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าทําได้ก็จะหลุดพ้นไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย จะได้พบกับความสุขที่เรียกว่าบรมมสุขปรละ ม, มังสุขขังความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นไม่เหมือนกับความสุขที่พวกเรามีกันอยู่ในขณะนี้ได้มาพบก็หมดไปแล้วเมื่อคืนนี้ไปเที่ยวมาพอวันนี้ก็หายไปแล้วเดี๋ยวไปซื้อข้าวซื้อของมาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้ว ไปดื่มไปรับประทานเดี๋ยวก็หมดไปแล้วนี่เป็นความสุขปลอมความสุขเดี่ยวๆไม่ใช่ความสุขที่เราควรที่จะแสวงหากันเราควรจะแสวงหาความสุขที่ถาวรอย่างที่พระพุทธเจ้าและพาาาระอรหันตส า, าวกทั้งหลายได้แสวงกันได้พบกันด้วยการมาทำทานมารักษาศีลมานั่งสมาธิ มาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญากันนี่คือเรื่องของเหตุและผลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรารู้กันเมื่อเรารู้แล้วเราจะได้สร้างเหตุที่ดีเมื่อเรามีเหตุที่ดีผลที่ดีก็จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนเพราะกฎนี้เป็นกฎตายตัวจะมีพระพุทธเจ้ามาบอกหรือไม่บอกก็ตามจะสอนหรือไม่สอนก็ตาม ถ้าสร้างเหตุดีผลจะต้องดีเสมอถ้าสร้างเหตุไม่ดีผลก็จะไม่ดีเสมอถ้าทำบาปผลก็จะไม่ดีความทุกข์ก็จะตามมาอบายก็จะตามมานี่คือเรื่องของการรู้เหตุรู้ผลเรื่องต่อมาก็ให้รู้จักตนคือคนเราทุกคนนี่มีฐานะที่แตกต่างกันไปเป็นหญิงเป็นชาย เป็นหญิงก็ต้องทําตัวอย่างหนึ่งเป็นชายก็ต้องทําตัวอย่างหนึ่งเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องรู้จักทําตัวของตนให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเราเป็นเป็นโสดหรือเป็นคนมีครอบครัวก็ต้องทําตัวต่างกันคนโสดจะไปเที่ยวไปเล่นกับใครก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่คนที่มีครอบครัวนี้ถ้าไปเที่ยวไปเล่นกับคนอื่นก็จะทําให้เกิดความเสียหาย ทำให้ครอบครัวแตกแยกกันได้เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักเรียนหรือเป็นครูนี่คือฐานะต่างๆที่เราต้องรู้จักเพื่อที่เราจะได้ทำตัวของเราให้เหมาะสมกับฐานะของเราถ้าเราทำตัวไม่เหมาะสมกับฐานะของเราเราก็จะได้รับได้รับความเสื่อมเสียตามมาคนจะรังเกียจและอาจจะต้องจับเราไปลงโทษได้ เช่นคนที่ไปติดคุกติดตราเพอไปทำตัวเป็นเหมือนเดรัจฉานแทนที่จะทำตัวเหมือนมนุษย์ไปทำตัวเหมือนเดรัจฉานไปลักขโมยไปฆ่าผู้อื่นเดรัจฉานเขาก็ทำอย่างนี้เวลาเ้าอยากจะกินอะไรถ้าใครเผลอวางอาหารไว้เขาก็จะคว้า ม, มาไปเลยนี่คือลักษณะของเดรัจฉานถ้าคนเป็นคนไม่รู้จักฐานะของตนว่าเป็นมนุษย์ ไปทำตัวเป็นเหมือนเดลอาชานก็จะต้องถูกเขาจับไปขังไว้ในกรงนั่นเองเหมือนกันเราไม่ปล่อยสิงสาราศาสตร์ออกมาเพ่นพ่านเพราะถ้าปล่อยเดี๋ยวมันก็มากัดคนมาทำร้ายคนได้ฉันใดคนที่ไม่รู้ตนไม่รู้ว่าตนเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์นี้ทำอย่างไรถึงจะเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าบอกก็ต้องมีสีลห้าถึงจะเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์ถ้าไม่มีศีลห้าขาดไปข้อใดข้อหนึ่ง ก็จะไม่ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วก็จะต้องไปใช้กรรมต่อไปไปเป็นเดรัจฉานหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วหรือถ้าทำบาปหนักก็จะไปติดคุกติดตารางในนรกต่อไปดังนั้นเราจึงควรรู้ตนรู้ว่าเราเป็นใครเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นโสดหรือเป็นผู้มีคู่ครองเป็นนักบวชหรือเป็นคาลวะ ฐานะของแต่ละคนนี้มีวิธีที่จะปฏิบัติต่อตอนนั้นต่างกันไปเราจึงต้องศึกษาให้รู้อย่างถ่องแท้เพื่อที่เราจะได้กระทำในสิ่งที่ถูกที่จะนำความสุขและความเจริญมาให้กับเราไม่ทำในสิ่งที่ผิดที่จะนำโทษทำความเสียหายมาให้กับเราข้อที่สามก็ให้รู้จักบุคคลบุคคลต่างๆที่เรารู้จักเกี่ยวข้องด้วยก็มีฐานะต่างกัน บางคนก็สูงกว่าเราบางคนก็เท่าเราบางคนก็ต่ำกว่าเราวิธีที่เราจะปฏิบัติกับบุคคลต่างๆเราก็ต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับฐานะของเขาผู้ที่สูงกว่าเราก็ต้องให้ความเคารพนับถื อ, อผู้ที่เท่าเราเราก็ให้ความความสนิทสนมกันผู้ที่ต่ำกว่าเราก็ต้องให้ความเมตตาสงสารช่วยเหลือเขาดูแลเขา เลียงดูเขาเพราะเขาต่างกว่าเราเขาด้อยกว่าเราคนที่เขาเท่าเราเราก็ไม่ต้องเลียงดูเขาเขาเลียงดูตัวเองได้คนที่สูงกว่าเราก็ไม่ต้องเลียงดูแต่คนที่สูงกว่าเราเขามีบุญคุณกับเราเขาเลี้ยงดูเรามาเช่นบิดามารดาปู้ย่าตายายเราก็ต้องมีความกตัญญูกตวเวทีต่อเขานี่คือลักษณะของการมีการรู้จักบคุคคลเพื่อที่เราจะได้ ปฏิบัติให้ถูกต้องกับบุคคลต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยเพื่อที่จะได้ทำให้ไม่เกิดความเสียหายนี่คือเรื่องเรื่องรู้จักบุคคลเรื่องสังคมก็คือเราอยู่ในสังคมแต่ละสังคมนี้ก็มีกฎมีกติกาที่ต่างกันไปสังคมในบ้านก็มีกฎกติกาอย่างหนึง่งสังคมในโรงเรียนก็มีกฎกติกาอย่างหนึง่ง สังคมในที่ทำงานก็มีกฎกตกิกายอย่างนึงสังคมที่เราไปอยู่ด้วยไปเกี่ยวข้องด้วยแต่ละสังคมมีกฎมีกติ ก, กาเราต้องศึกษาให้รู้ว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้อยู่บ้านถ้าพ่อแม่ตั้งกฎไว้ว่าสองทุ่มต้องปิดทีวีไม่ให้เล่นเกมอันนี้ก็ต้องเคารบกฎกติกา ถ้าเราไม่เคารพก็จะเกิดความเสียหายกับตัวเราเองเพราะเรายังไม่รู้จักคุณจักโทษของการใช้เวลาให้ถูกต้องเราต้องอาศัยผู้ใหญ่คอยสอนเราคอยสั่งคอยห้ามเราดังนั้นเราควรจะเคารพกฎกติกาต่างๆเราไปอยู่ที่ไหนเขามีกฎกติกาอย่างไรควรจะเคารพถ้าเราไม่ทำตามเราก็จะอยู่กับเขาไม่ได้ มาวัดเขาก็มีกฎกติกาให้ลงโบสถ์เช้าเย็นให้กินข้าวมื้อเดียวถ้าเราไปกินข้าวมื้อเย็นเดียวก็เชิญเรากลับบ้านไปเขาก็ไม่อยากจะให้เราอยู่ด้วยนี่คือการรู้สังคมรู้กฎกติการู้กฎระเบียบต่างๆของสังคมที่เราเข้าไปอยู่ด้วยก็ต่อมาก็คือให้รู้จากการละเทศะ คำว่าการลาดเทสะก็ให้รู้จักเวลารู้สถานที่สถานที่เราไปเวลาที่เราไปในแต่ละสถานที่นี้เขามีการกระทำอะไรที่ต่างกันไปงานศพเขาก็มีการกระทาอย่างหนึ่งไปงานแต่งงานเขาก็มีการกระทำอย่างหนึง่ ง, ง, ง lers. เราไปเที่ยวก็ไปไปตามสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็มีมีการกระทำอีกแบบหนึง่งแต่ละสถานที่แต่ละเวลา ก็มีธรรมเนียมที่เราจะต้องปฏิบัติเช่นการแต่งกายไปงานศพเราก็ต้องแต่งชุดดำกันไปงานแต่งงานเราก็ต้องแต่งชุดที่มีสีสันไปแต่งงานงานแต่งงานแล้วก็ทักทายยิ้มแย้มกันคุยกันหัวเราะกันไปงานศพแล้วก็ต้องทำท่าสารวมเข่งขึนไม่หัวเราะไม่ไม่ทำอะไรเออกระเลิศคึกโครมกันมาวัดก็เหมือนกันเวลามาวัด ก็มีเวลามีขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งก็ทำอย่างหนึ่งอีกขั้นตอนหนึ่งก็ทาอีกอย่างหนึ่งเช่นเวลาขั้นตอนแรกก็มาใส่บาตรกันขั้นตอนที่สองเราก็มาถวายทานกันขั้นตอนที่สามเราก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันถ้าเรามาทาผิดขั้นตอนมันก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้เช่นขณะที่กำลังแสดงธรรมเรามาทีหลังเราอยากจะถวายข้าวถวายของก็ เลยเข้ามาเลยไม่สนใจว่าคนอื่นเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะอย่างนี้ก็จะทำให้วงแตกไดนะ้ทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่ เ, เฉยหรือว่าเป็นคนที่น่ารังเกียจเพราะเป็นคนที่ไม่รู้จักการละเทศะนั่นเองนี่คือข้อข้อกาละเทศะข้อสุดท้ายก็ให้รู้ประมาณคาว่ารู้ประมาณก็คือรู้ความพอดี มากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีถ้าพอนี่แสดงว่าพอดีเช่นรองเท้าเสื้อผ้านี้ถ้าเล็กเกินไปใส่ก็ไม่ดีถ้าใหญ่เกินไปใส่ก็ไม่สวยฉันใดสิ่งต่างๆที่เราใช้นี้เราต้องรู้จักความพอดีโดยเฉพาะความพอดีในการบริโภคปัจจัยสี่อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่ม ควจะรู้จักความว่าพอพอก็คือพอใช้มากเกินไปก็ไม่ดีเพราะเสียเงินทองไปเปล่าน้อยเกินไปก็จะทำให้ร่างกายเดือดร้อนได้เช่นอาหารถ้ารับประทานน้อยไปก็ผอมแห้งแรงน้อยเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้รับประทานมากเกินไปก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้เช่นเดียวกันต้องรู้จักรับประทานพอประมาณ แล้วชีวิตของเรานี้จะไม่มีปัญหาจะไม่มีเรื่องราวต่างๆมาทำให้เราต้องวุ่นวายเดือดร้อนกันปัญหาของพวกเราทุกวันนี้คือไม่รู้จักคาว่าพอดีเพราะว่าเราถูกความโลภครอบงำอยากจะได้มากๆอยากจะกินมากๆอยากจะดูมากๆอยากจะฟังมากๆอยากจะมีอะไรมากๆมียิ่งมากมันก็ยิ่งกลายเป็นภาระต่อเรา มีของมากก็ต้องดูแลสาดูแลรักษามากมีของน้อยก็ไม่ต้องดูแลรักษามากอยู่สบายนี่ต้องอยู่แบบพอดีคือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วชีวิตของเรานี้จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายนี่คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราศึกษาให้รู้กันแล้นำเอาไปปฏิบัติคือให้รู้เหตุรู้ผล รู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้การละเทศะและรู้ประมาณถ้าเรารู้แล้วเราปฏิบัติได้ชีวิตของเรานี้จะมีแต่ความสุขและความเจริญโดยถ่ายเดียวจะไม่มีความทุกข์ความเสื่อมเสียตามมาอย่างแน่นอนการสแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้